ก็ข อ, อนุโมธนากับพวกเราทั้งหลายเนี่ยครั้งนี้ก็ศึกษาคำสอนก็ศึกษาต่อจากครั้งที่แล้วอีกเนี่ยครั้งนี้ก็คงจะจบวันนี้มงคลในมงคล38ประการเนี่ยดังที่ได้ ก, กล่าวมาตามลําดับในมงคล 80... ทั้ง38ปประการเนี่ยตามภาษาบาลีที่บอกว่า เสวนาจะพารานังปันติตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตะมังปาติโระเทสวะโสจะปุเพจกตะปุญญตาอัตสัมมาปณีทิจะเอตัมมังครมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังปุตตารัต จ ส, สังฆโหอนอาคุลาเจกรรมมันตาเอตัมมังคระมุตต ม, มังท่านันจะธรรมยะจริยาญาตกานันจะสังฆโหอนาวัชานิกรร ม, มานิเอตัมมังคระมุตต ม, มังอารตีวิรตีปา ป, า, ปามัชฌปานาจะสัญญโมอปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคระมุตตะ ม, มัง คารวะจะนิวาโตจะสันตุถีจะ ก, กตัญยุตากาเลนะธรรมมาสวังเอตัมมังคารมุตตะมังทันตีจะโสวจะสตาสมานา น, นจะทัสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาอตัมมังคาะมุตตมังตะโปจะพระมจริยันจะอริยสั จ, จนะดัสนังนิพพานสัชกิริยาจะอตัมมังคาะมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโสกังวิราชังเคมัง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 การบำรุงมารดาการบำรุงบิดาการสงเคาะบุตรภรยาการงานไม่อากูลทานคือการให้การประพฤติธทมการส่งเคาะญาติการกระทำการงานที่ไม่มีโทษการงดเว้นจากบาปการจำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในทำทั้งหลายความเคารพความประพฤติถ่อมตนความสันโดษความกระตัญยูรู้คุณท่านการฟังทำตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่าย การได้เห็นสมัมมนาการสนทนาทมตามการความเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรร์การเห็นอริยสัจการกระทำพันญิพานให้แจ้งจิตของผู้ใดถูกโลกธระทกระทบแล้วไม่หวั่นไหวความไม่เศร้าโศกจิตที่ปราศจากธุลีคือกิเลสจิตที่กเกษมจากโยคะทั้งสีอันนี้คือมงคลทั้ง38ประการนะทั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอริยสัจญาณทัศน์การเห็นอริยสัจ ก็คือการเห็นทุกข์สมูทยัยก็นิโรธแล้วก็มรรคเขาเรียกการเห็นอริยสัจสี่เออถ้าพูดถึงในเรื่องของอริยสัจเนี่ยเป็นคําสอนที่สําคัญเพราะว่าการได้เห็นอริยสัจคือการแทงตลอดสัจจะเนี่ยคือแทงตลอดทุกข์ด้วยการกําหนดรูปแทงตลอดสมูทยัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการกระทําให้แจ้งแล้วก็แทงตลอดอริยามรรคด้วยการเจริญเนี่ย โดยอริยปัญญาเป็นการเห็นแจ้งที่เกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคมีองค์แปดประชุมกันครบเป็นมัคคสมังคีเสา ม, มาธิฐสา ม, มาสังกปราสา ม, มาวาจาสามากรรมตตาสา ม, มาอาชีวะสามาวาย ม, มาสมาสติและสามามสมาธิเขาประชุมพร้อมกันกล่าวคือศีลสมาธิปัญญานี่เนี่ยเมื่อเขาประชุมพร้อมกันเมื่อไรเนี่ยเขาก็ทํากิจในการทําลายกิเลสเขาเรียกว่ามัคคสมังคี แต่ถ้าอาริยมรตมีองค์แปดยังไม่ประชุมเนะีท่านผู้นั้นก็ตัดสรู้ไม่ได้เห็นอริยสัจไม่ได้ถ้ามรตแปดมาประชุมครั้งแรกอันนั้นเป็นพระโสดาบันถ้าประชุมครั้งที่สองเป็นพระสกท า, าคาประชุมครั้งที่สาก็เป็นพระนาคาถ้าประชุมครั้งที่สก็เป็นพระอาา ร, ะรหันต์จบกิจพรหมจรรย์แล้วฉะนั้นวัตถุประสงค์ของชาวพุทธเนี่ยเป้าหมายว่างั้นก็คือการเรียกประชุมอรมิยมรต คืเรียกประชมองค์มรรคเนี่ยเราจะเรียกยังไงใช่ไหมถ้าตีคองล้องเป่าประชุมเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ยังเรียกง่ายๆอยู่ใช่ไหมแต่มรรคแปเนี่ยเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยของเขาในการที่จะประชุมนี่เป็นอย่างนี้จากนั้นการที่จะเห็นอริยสัจได้นั้นน่ยก็ต้องมีการประชุมอริยามรรคมีองค์8 แ, และคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะจัดลงในอริยสัจได้หมดเลย แต่เราจะจัดได้หรือไม่อันนั้นก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะเพราะว่าการจัดคําสอนลงในอริยสัจเนี่ยถามว่าคําสอนคาพูดหนึ่งคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยลงอริยสัจได้ไหมลงได้อย่างยกตัวอย่างเช่นคําสอนที่บอกว่าเยธรมมาเหตุปับภาวะเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณุใช่ไหมอันนั้นหมายถึงอะไรก็หมายความบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดง เกี่ยวกัในเรื่องของคันห้าเขาแสดงที่บอกว่าทมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุของทำเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการสแสดงคำสอนที่เชื่อมโยงลงในอริยสัจก็คือลงในทุก์สมุทัยก็และกันในนิโรธมาเมื่อกี้บอกว่าเยธรรมมาเหตุุปปวาเตสังเหตุุงตถาคโตอาหะ เตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัทเหตของทำเหล่านั้นและตรัสความดับไปของทำเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงมีวาทะเช่นนี้คําว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดคืออะไรก็คือขันห้ารู ป, ปะขันเวทนาขันสัญญาขันสร้างขาระคั น, แ ล, นและก็วิญญาณลขันรวมย่อลงก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่นี่เขาเรียกขันห้า ขันห้าเนี่ยซึ่งเกิดจากตัณหาแม้ว่าพระอัศจริจะไม่ได้ระบุทำดังกล่าวคืออะไรและเหตุเกิดคืออะไรแต่อุปติสมัมมานพคือพันภาษาริบุตรเนี่ยก็เข้าใจทันทีบอกว่าทำดังกล่าวนั้นคือขันห้าและเหตุของขันห้าก็คือตัณหาเพราะว่าสมมุติบัญญตัติตามหลักสันสกฤทถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเบื้องต้นเนื่องจากบัญญัติของคนสมัยก่อนสืบทอดกันต่อมา จึงถือว่าไม่มีเหตุเกิดแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งที่มีเหตุเกิดก็คือปรมัตตธรรมคือสภาวะธรรมที่เป็นขันหานั่นเองอันมีเหตุเกิดคือตัณหาที่เป็นความทยานอยากตัณหานี่ทยานอยากในอะไรบอกทยานอยากในรูปอารมณ์จัตตารมคันธาร ม, ารมลสารมโหตพารมแล้วก็ธรร ม, มารมก็คือบอกว่า ทยานอยากในอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นไายใจนี่แหละฉะนั้นตัณหาถ้ามันจะแผ่ซ่านไปหรือมันจะเข้าไปเชื่อมติดหรือจะไปยึดถือเนี่ยก็ยึดตัณหาที่เข้ามาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นไายใจใช่ไหมคาว่าความดับของธรรมเหล่านั้นน่ยคือดับอะไรคือความดับของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันคือดับของขันห้า ขันห้าดับเนี่ยคือดับแบบถาวรคือดับแบบไม่เกิดเขาบอกว่าเตสัญจะโยนิโรโทรเ อ, อ, อกว่าความดับของธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นก็คือความดับของขันห้าทีนี้เมื่อเรารู้คำสอนอย่างนี้แล้วบอกว่าการเห็นอริยสัจเนี่ยน่ยกขึ้นมาบทนี้บอกขันห้าใช่ไหมโรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจเนี่ยอันนี้เป็นทุกขสัจ ขันห้าเหล่านี้อุบัติเกิดขึ้นมาได้ในสังสารวัตที่เป็นไปในภูมิสาคือกามาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยขันห้าที่ดําเนินไปอยู่เนี่ยเพราะมีตันหาเป็นแดนเกิดตันหามอบให้ฉะนั้นตันหาก็เลยเป็นไปในภพน้อยภพใหญ่ทีนี้ขันห้าเนี่ยเป็นทุกขสัจทำไมเป็นทุกขสัจจะคําว่าเป็นทุกขสัจเนี่ยควรอะไรควรกําหนดรูเขาเรียกปรินเยยยั ปริญยเยญยะน่ยก็แปลว่าควรกําหนดรู้เอาควรกําหนดรู้ยังไงเพราะว่าการรอบรู้เนี่ยหรือควรกําหนดรู้เนี่ยเพราะเป็นทุกขสัจเขาเรียกปรินญยยธรรมส่วนตันหาที่เป็นสมูทยายะสัจจานี่ที่เป็นเหตุเกิดของทุกเนี่ยอันนี้ควรอะไรควรละภาษาบาลีท่านเรียกว่าปหาตัปภะอันนี้แปลว่าควรละความดับของขัน อันนั้นเป็นทุกขนิโรธอันนี้ควรทาให้แจ้งเขาเรียกสัชชิกาตภาอุปติสะมโนบเนี่ยหรือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเข้าใจนข้อความเหล่านี้โดยปัญญาของตนที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติอีกทั้งยังเข้าใจแนวทางในการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นธรรมที่ควรอบรมเวปเป็นภาเวตปธรรมด้วยฉะนั้นเมื่อเข้าใจเมื่อท่านเข้าใจอริยสัจทั้งสามข้อ คือเข้าใจโทุกเข้าใจสมูทัยและเข้าใจนีโลดเมื่อท่านเข้าใจในก็โดยตรงแล้วก็คือเข้าใจอริยสัจสี่ที่กล่าวไว้โดยอ้อม ก, ก็คือได้แก่การเจริญสติกําหนดรอบรู้ขันห้าที่ปรากฏชัดใช่ไหมเอาในขันห้าเนี่ยถ้าเราจับลงในจัดลงในสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นรูปขันเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือกําหนดรอบรู้เวทนาขนัน ส่วนจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็กำหนดรอบรู้วิญญาณขันธ์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็กำหนดรอบรู้สัญญาขันธ์และสังขารลขันธ์สรุปก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานก็คือการรอบรู้ขันธ์คือรอบรู้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณใช่ไหมใช่เพราะขันธ์หเป็นทุกขสัจเหตุเกิดของขันธ์ห้าเป็นสมุทยัยสัจจะควรละความดับไป ของขันห้าและความดับกิเลส ท, ที่ไม่มีกวนเกิดขึ้นมาใหม่อันนั้นเป็นนิโรธสัจจะปฏิปทาที่ให้เข้าถึงความดับอันนั้นเป็นมรรคสัจฉะนั้นเมื่อท่านเข้าใจอริยสัจสามข้อแรกที่กล่าวในคาถาโดยตรง <c oughs> ก็ถือว่าเข้าใจในอริยสัจ4ี่ที่กล่าวไว้โดยอ้อมแล้วท่านก็ได้เจริญกําหนดตัวรอบรู้ขันห้าที่ปรากฏชัดตามความเป็นจริง ในที่สุดจริงๆอุปติสสะหรือท่านภาษาริบุตรนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนั้นท่านฟังอะไรบอกฟังอริยสัจเห็นไหมท่านแทงตลอดอริยสัจเนี่ยท่านเพียงคาถาแค่นี้ท่านอุดเข้าใจเลยเราท่องได้ใช่ไหมฟังมาตั้งนานแล้ว ม, มันมันมันยากตรงที่ว่ามันลงอริยสัจไม่ได้อะทําไมมันจึงลงอริยสัจไม่ได้เพราะมันมองอย่างลงไม่เห็นว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นทุกข์ ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสมูทไทยเป็นนิโรธเป็นมากเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะส่งเคาะคําสอนลงในขันอายตนาธาตสัจจะเป็นต้นเหล่านี้อ ย, ย, ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากบอกว่าเราบอกว่านะโมทัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะจะบอกนะโมทัสสะพระคัวะโตเนี่ยถ้าบอกนะโมพุทธัสสะนะโมเนะี่ยแปลว่านอบน้อมพุทธนะัสสะน่ยแปลว่าพระพุทธเจ้า นามะเนี่ยน้โมเนี่ยแปลว่านอบน้อมบางคนบอกน้โมพุทธะก็แปลว่าอะไรนอบน้อมขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าไอ้ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ธรรมของการนอบน้อมได้แก่มหากุศลจิตตุบาบาก็คือมหากุศแลจิตท่านคนที่จะนอบน้อมพระพุทธเจ้าได้ตอนนั้นจิตต้องเป็นกุศลทีนี้กุศลจิตเนี่ยเนี่ยท่านก็เอามาแยกในกุศลจิตนั้นมีเวทนาไหมมี นั่นเวทนาเจตสิกในกุศลจิตเหล่านั้นเป็นเวทนาขันเอามีสัญญาไหมเอามีสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันทีนี้เว้นสัญญาและเว้นเวทนาออกเหลือสามสิบหกอันนั้นเป็นสังขารลขันตัวกุศลจิตเป็นวิญญาณขันเอกุศลจิตเหล่านี้ก็ต้องอาศัยรูปขันเป็นไปอยู่แล้วสรุปแล้วก็คือ การที่เราจักล่าวนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นแด่พระพุทธเจ้าได้บอกวนะ่านณโมพุทธสาเป็นต้นเนี่ยก็จะต้องมีขันห้าสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นเองเป็นผู้นอบน้อม <c oughs> อันนี้เขาเรียกอ้คิดลงขันได้แล้วอันนี้เริ่มจะไปไกลแล้วใช่ไหมนี่เริ่มจะได้ดีแล้วนี่เนี่ยการอย่างคําสอนลงสู่ขันห้าได้เอามาลงสู่ขันห้าได้เนี่ยแล้วจิตนี่เป็นอายตนะอะไรเป็นมนาอายตนะอาเจียนกที่ประกอบกับกุบกบกศลจิตเหล่านั้นเป็นอะไร บอกเป็นธรรมายตนะเอ้าเป็นอายตนะก็ได้ใช่ไหมเป็นมานายตนะกับธรรมายตนะนี่อายตนะอ่ะเป็นธาตุได้ไหมได้กุศลและกิตแปดที่นอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมโนวิญญาณธาตุอจเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดนี่เป็นอะไรบอกเป็นธรรมธาตุนี่มนะอ๋อเป็นแล้วเป็นอินทรีย์ได้ไหมเอาถ้าหากเรานอบน้อมด้วยจิตที่เป็นสมนัติล่ะมหากุศลสมนัตอันนี้เป็นสมนัติสินทีย์ ถ้านอบน้อมด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นมหากุศสอุเบกขาก็เป็นอุเปกขินรีใช่ไหมเขาเป็นเป็นทีนี้มีชีวิตจตินทีเจสิกไหมมีก็เป็นชีวิตตินรีไปมหากุศสก็เป็นมนินรีและในมหากุศลเหล่านั้นมีศรัทธาไหมมีเขาเรียกเป็นสัตตินรีมีมีวิริยะไหมมีก็เป็นวิริยินรีมีสติไหมมีก็เป็นสตินสีมีสมาธิไหม มีเป็นสมาธินสีแล้วมีปัญญาัหมก็เป็นปัญญินรีสรุปแล้วก็มีสัตทินรีวิริยนินสีสมาทินรีสมาสตินรีแล้วก็ปัญญินรีนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเราอย่างลงว่าถ้าเป็นขันห้าก็ เ, เป็นอริยสัตว์นั่นเองฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกคำเนี่ยอย่างลงอริยสัตว์ได้แต่เราจะเห็นอริยสัตว์ไหมลนะ่ะในมงคลเขาบอกว่า อริยาสัจจานทัศนังถ้าเห็นอริยาสัจจะเป็นอุดมบวงคลก็ว่าไงฉะนั้นก็พยายามคิดให้เห็นอริยาสัจให้ได้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยคิดโดยการนําปริยัตเป็นตัวสื่อ น, นําทางเจาะเข้าไปเนี่ยเพื่อจะทํานําทางให้เราเห็นอริยาสัจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทําได้ไหมถ้าทําได้บอกเออเริ่มจะปรูแนวทางเข้าสู่มาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหม เริ่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอริยสัจสี่ขนาดเสียงด่ายังกําหนดลงเป็นอริยสัจได้เนี่ยผมเริ่มได้ดีแล้เสียงชมก็เป็นอริยสัจได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าการเห็นอริยสัจในบทว่าอริยสัจจานะัทสันนังการเห็นอริยสัจวัตถุประสงค์ในการที่สื่อคําสอนลงในอริยสัจก็เพราะว่าต้องการที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะแทงตลอดคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าแทงตลอดอะไรบอกแทงตลอดอริยสัจเมื่อพระพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัจสี่ใช่ไหมฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยควรเห็นเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าที่เราศึกษาในทางด้านของอัศาธาอาทีนวนิสลานะเป็นต้นเหล่านี้คือบอกบอกว่า ถ้าวัตถุกรรมย่อมสําเร็จแก่ บ, บุคคลผู้ปรารถนาอยู่บุคคลปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นย่อมเป็นผู้มีใจเอิบอิ่มโดยแท้ก็บอกว่าไอ้ตัวอัศธาซึ่งเป็นสภาวะที่น่ายินดีคือสมณสเวทนาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มาแยกบอกว่าตัววัตถุกรรมเนี่ยสิ่งที่น่ารักใคร่น่าพอใจเนี่ยโดยองค์ธรรมตัววัตถุกรรมก็คือว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิสามที่น่าพอใจน่ารักเช่นว่า ในกามาภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมิในส่วนของอิทธารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นอัศ ธ, ธาใช่ไหมเออมันเพลิดเพลินนะถ้าเราอยู่ในมุมของความสุขความสดชื่นความสะดวกความสบายเนี่ยเช่นว่าปรารถนาวัตถุกรรมก็หูก็ได้อย่างสมใจนึกทุกอย่างแล้วจิตใจเราก็เพลิดเพลินไปกับสุขสมมนัตเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทั้งแง่ของวัตถุกรรมก็ดี ทั้งแง่ของไอตัวกิเลสกามที่เข้าไปยึดไปติดไปผูกพันก็ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นก็ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าอาสาททีนี้ไอตัววัตถุ ก, กรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราปรารถนาสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นความสุขเป็นความเป็นความสมหวังแต่ถ้าหากว่า ถ้าบุคคลปรารถนาอยู่มีความพอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกามเหล่านั้นเสื่อมไปลเลยนะเช่นวัตถุกรรมมันถึงความวิบัติไปเงี้ยเช่นมีรู ป, ปรขันเนี่ยนะใหม่ๆ ม, มันก็ดีทุกอย่างแล้วมันไม่ค่อยงองแงเนี่ยพอล่วงการผ่านไว้มาสักระยะหนึ่งเนี่ชี้ไปจุดไหนไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอาทีนว่าแต่นี้เขาเรียกโทษอาทีนว่านี่มันเป็นโทษมันรายงานบอกทันทีบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคุณ แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโทษเยอะไหมวิธีการก็ทํำยังไงถ้ามันเป็นโทษขึ้นมาซ่อมเยอะไหมต้องไปซ่อมซ่อมอย่าก็งั้นบุคคลนั้นก็จะเร่าร้อนเหมือนลูกศรเสียบแทงเช่นั้นถ้าบุคคลไม่ปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้หรือพลัดพากจากสิ่งที่ได้รับมาแล้วความทุกข์ใจนี้จัดเป็นโทษอันนี้เป็นลักษณะแห่งความแปลป ร, ปรนของสิ่งที่ปรารถนาองค์ทำ ก็คือทุกขเวทนาทางใจที่เรียกว่าโทมานัสเวทนาไอตัวโทมนัสเวสนาเนี่มันประกอบกับโทสามุลจิตมันเกิดความเครียดความกังวลความวิตกนี่เป็นอย่างงี้นะทีนี้ถ้าหากเรามองวกว่านรชนใดย่อมยินดีที่ไล่ที่ดินเงินโคมาทาสกรรมกรเหล่าสตรีพวกฟองและการมาคุณเป็นอันมากอันนี้เป็นสมานัสเวทนานะอันนี้เป็นฝ่ายของสุขทีนี้ฝ่ายโทษก็คือบอกว่า กิเลอันมีกําลังน้อยย่อมครอบงำนรชนนั้นอันตรายย่อมย่ำยีเขาทุกย่อมติดตามเข้าไปถูกอันตรายย่ำยีเหมือนน้ําไหลก็สู่เรือที่แตกแค่นั้นท่านอุปมาได้ดีนะเรือแตกเนี่ยน้ําไหลทะลักเข้าเพราะว่าถ้าหมายถึงร่างกายเนี่ยถ้าใหม่ๆเนี่ยป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีโอ้โหดูแข็งแรงมากถ้าหากว่าร่างกายมันอ่อนแอเชื้อโรค ก, ก็เข้าไปทําลายโอ้โหสารพัดเลยตอนนี้เหมือนเรือนะ เรือที่ยังดีๆอยู่แม้ไปที่ไหนก็ชื่นใจมากแต่พ่อเรือแตกแล้วโอ้โหน้ำทะลักเข้าทุกลูเลยไอ้เราก็พยายามจะอุดรูนี้มันก็เข้ารูนี้อุดรูนี้เข้ารูนี้นักเข้านักเข้าปล่อยทิ้งไม่ไหวแล้วตอนนี้ยังพอยาวไว้ก็เอายยาวๆแต่ต้องใช้กําลังมากหน่อยเดี๋ยวนักเข้านักเข้าก็ยาวไม่อยู่นนั้นทุกขเวทนาทางใจแต่โทษที่กล่าวในคาถานี้คือทุกในวัฏะนะมีชาติทุกชาราทุกโมระทุกเป็นต้น ตรงนี้ต้องการเชีย่ยเห็นว่าถ้าจะมาสงเคราะห์คําสอนเอ่อก่เดี๋ยวก่อนที่จะสงเคราะห์คำสอนไปดูนิสรณะก่อนเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่องดเว้นกามทั้งหลายเสียเขาระกามนั้นแล้วพึงข้ามมุ่งน้ําได้เหมือนบุรุษวิทยเรือแล้วก็พึงขึ้นไปถึงฝั่งก็งบอกอย่างนี้เรือมันน้ามันเข้าเรือเรือมันแตกถ้าคนฉลาดเขาเรีบวิทยวิทยวิทน้ําออกอยู่เรือแล้วรีบยาเรืออยูเขาไม่รียบรีรอเลยนะ พอเรือดีนิดหน่อยเขารีบพายอย่างเร็วเลยเขาไม่ห่วงรอยอยู่แล้วไม่ห่วงเพลิดเพลินจะไปเที่ยวตอนนี้เขาไม่เพลิดเพลิ น, เ, นเขาไม่เพลิดเพลินแล้วเพราะเขากลัวเรือมันรลวกแล้ว แ, แตกเดี๋ยวก็มันจมเนี่ยมาเพราะวัตถุประสงค์ก็ต้องการขึ้นฝั่งก็ต้องการขึ้นฝั่งยาเรือไว้ไปเที่ย ว, วหรือว่าต้องการขึ้นฝั่งอ้ไว้ไปเที่ย ว, <c oughs> ไ ว, ไยวนี่ผิดวัตถุประสงค์อันนี้ไม่มีนิสัยนะ จริงกขายาเรือนี่เขต้องการที่จะถึงฝั่งถ้าบุรุษเนี่ยเขาต้องการเนี่ยเขาบอกว่าสาทาสาโตก็แบบมีสติทุกเมื่อหมายความบอกว่าจเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองวัตถุประสงค์ก็คือท่านที่ท่านใช้คําวันนี้สรณ ะ, ะเนี่ยแปลว่าที่แรกก็กามากามาคุณก็เห็นโดยความเป็นคุณอยู่แต่พอมาเห็นโทษของการเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็เห็นน้ํามันทะลัเข้าเรือ ก็ยาเหลือกวิดเหลือน้ําออกพอวิดน้ําออกแล้วนะก็รีบหรือทั้งกลางวันและกลางคืนสับท่านใช้คําว่าสตาสโตมีสติทุกเมื่อก็คือการเจริญสติทั้งกลางวันและกลางคืนกามาณิปริวัตชยเยก็แบบงดเว้นกามทั้งหลายเสียงดเว้นวัตถุกามและกิเลสกามไม่ก่อให้เกิดกิเลสที่พอใจวัตถุกามและการข่มไว้ด้วยสมถะแล้วก็ละด้วยเด็ดขาดด้วยวิปัสสนาอะไรอางนี้ ละกามนั้นแล้วก็จะบรรลุอริยมรรคซึ่งละกิเลสได้เด็ดขาดตามสมควรแก่มรรคนั้นๆ น, น, นี่เป็นนี้ทีนี้พอละกิเลสแต่ในคําสอนเนี่ยท่านบอกว่าทำโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมะเหินตังยะถาวัสการะเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุขติงคัจจติธรรมจารีติก็บอกว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดุดร่มใหญ่ในฤดูฝน ข้อนี้เป็นอนิสง์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติคำว่าธรรมโมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยหมายถึงกุศลที่บุคคลบาเพ็ญด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาฉะนั้นทานศีลภาวนาที่เราทา ม, มาเนี่ยอันนั้นเ็าเรียกว่าธรรมโมหรือธรรมะล้วก็ไปนั่งตรวจตาเราดูใช่ห ทานกุศลศีลกุศลและภาวนาวกุศลเนี่ยที่เรากระทามาเนี่ยอันนั้นก็เรียกธรรมะรักคติเนี่ยก็แปลว่าย่อมรักษารักคติหมายความว่าอะไรย่อมคุ้มครองผู้ให้ทานผู้รักษาศีลคุ้มครองผู้ให้ทานให้มีความสุขในภพปัจจุบันและภพต่อไปกล่าวคือผู้ให้ทานก็ย่อมได้รับอานิสงส์นีมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีความสุขมีภละมีกําลังเป็นต้น ผู้รักษาศีลก็ได้รับอา น, นิสงก็มีอายุยืนมีสุขภาพดีเนี่ยคนที่สุขภาพดีในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกศีลดีในอดีตถ้าศีลดีในปัจจุบันเนี่ยสุขภาพจะไปดีในพพบเนาะเนี่ยคิดผิดไปชาติที่แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าศีลดีอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ไม่ป่วยนะถ้ายังว่ามนุษย์เราถ้าไม่ป่วยก็ประมาทนะโมกุลพอไม่ป่วยขึ้นมาคุยอยู่ด้แล้วออายุยืนนัเข้าวนักข้าก็อยากจะไปลง กินเนสบุ๊กอยากจะไปมีสถิติผู้เจริญภาวนาย่อมได้รับอนิสงค์คือความสงบจิตหรือไปเกิดพรมหรือตลอดถึงบรรลุพระนิพพานเป็นต้นนี้ฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดแก่ผู้ฟังธรรมที่จะประพฤติธรรมตามที่ได้สดับก็คือว่าเมื่อเขารักษาธรรมแล้วธรรมก็จะรักษาเขาให้มีความสุขในภพปัจจุบันและก็ในภพต่อๆไปเนี่ยผลที่เกิดจากกา ผู้ที่ประพฤติธรรมในเรื่องเนี้ไม่รวมถึงมรรคผลและนิพพานเะนี่ยเพราะธรรมเหล่านั้นนับว่าเป็นนิสสรณะอีกข้อหนึ่งเนื่องจากเป็นสภาพคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นความจริงเนี่ยนะสุขติเพราะประจัดว่าเป็นทุกคติพบโดยอ้อมเพราะว่าถ้ากล่าวเอานิพพานมาเปรียบเทียบเนะี่ยเขาเรียกว่าทุคติมีสองอย่างเนะี่ย อภ <men> <people> er ัยภูมิก็จัดว่าเป็นทุคติเมื่อเทียบกับเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ก็เทียบว่าเป็นทุคติเมื่อไปเทียบกับพระนิพพานนีนต้ส่วนอุบายนั้นน่ะนะในการที่จะไปเห็นอริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าสัพเพสังขารานิจาติสัพเพสังขารทุกขาติสัพเพธรรมานตาติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุกเคเอสามโควิสุตติยะเมื่อใด บุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกเบื่อหน่ายในทุกนั่นคือเบื่อหน่ายในเบญจขันธ์ความเบื่อหน่ายในเบญจขันธ์นะความเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่ อ, อไรเขาเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมืะะ่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจด ท่านกล่าวถึงอุบายคือเหตุให้บรรลุอริยมรรคเนะีหมายถึงปฏิปทาปฏิปทานั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่ควรบำเพ็ญเพื่อการบรรลุอริยมรรคเพื่อการที่จะเห็นอริยสัจนั่นเองทีนี้เป็นการระบุถึงนิพพยาย น, นะอันนี้จัดเป็นปัญญาเนะี่ยคว่าเบื่อนหน่ายในที่นี้สเพสังขาราสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงในที่นั้นได้แก่สังคตรธรรมที่เป็นไปในภูมิสาม รูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในการมาพรมรูปประภูมมารูปประภุมซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยกรรมจิต ด, ดุจแล้วอาหารคําว่าอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงหมายความว่ามีสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ก็าเรียกอนิจจาถ้าใครบอกบอกว่าอนิจจาเนี่ยก็แปลว่าอะไรสภาวะที่ไม่ที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเนี่ก็แปลว่าไม่มเที่ยงทุกขาหรือเป็นทุกเนี่ยมีสภาวะทนได้ยากโดยความเป็นทุกข์ทุก คือทุกแท้วิปริณามะทุกกระทุกแปลปวนและก็สังขาระทุกคือทุกประจําสังขารรู้จักทุกกระทุกไหมยทุกกายและทุกใจแต่ก็เรียกทุกกระทุกวิปริณามะทุกคือสุขเวทนามันแปลปวนใช่ไหมไอ้สุขเวทนาเนี่ยตั้งอยู่ถาวรไหมใครเคยสุขตั้งแต่เช้าจดเย็นมไหมอย่าว่าแต่เช้าจดเย็นเลยสุขสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ยากแหัวล้อแป๊บเดียวก็ต้องหยุดใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นี ไม่มีการหัวลอ้อค้างหนึ่งชั่วโมงเราเป็นทำทำไปไม่ได้หัวล้อแป๊บเดียวหยุดแล้วนั่นะบ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นวิปริณามะทุกัณฑ์ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทั้งทุกข์กับทุกข์และวิปริณามะทุกข์เนี่ยมันมีสภาวะที่ทนได้ยากก็แปลว่ามันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าอย่างนั้นปวดหัวก็ตั้งอยู่ไม่นานเดจ้ามาเดี๋ยวมันก็หายแลมันก็ตั้งอยู่ไม่นานจริง มันอาจจะปวดมากขึ้นหรืออาจจะหายอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันอาจจะน้อยๆลงนะแต่สรุปแล้วก็คือว่ามันไ ม, ไม่ไม่อยู่ในมันไม่อยู่จุดเดิมหรอกมันก็เปลี่ยนของมันไปเขาเรียกวันทนอยู่ไม่ได้แต่เราใจร้อนนะท่านในฝ่ายของทุกข์อย่างนี้เราโอ้รีบแก้สังขารและทุกข์นี่เป็นประจำสังขารส่วนอนัตตามี2ประการก็คือว่าในเนติบุรกรบอกไม่มีอัตตากับไม่ใช่อัตตาเอสะรนะหมายถึงนิพพิทายานที่ท่านกล่าวในกิริยานิพิ นิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแต่คํานี้ใช้เป็นปุงลิงตามสัพท์หลังว่ามารโคในในคําพีเนติวิภาวนีท่านอธิบายว่าเอสามักนิพิทายานสังขาโตธรรมโมธรรมคือนิพิทายานเนี่ยความเบื่อหน่ายที่ท่านกล่าวถึงในคําว่านิพินทตินะย่อมเบื่อหน่ายไม่ใช่การพิจารณาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือพิจารณาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วเกิด เบื่อหน่ายเพราะการพิจารณาดังกล่าวเป็นความดําริในบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่การยังเห็นสภาวะของสังขารอยแท้จริงความเบื่อหน่ายในเรื่องนี้จัดเป็นวิปัสนาญาณขั้นที่เก้าเขาเรียกว่านิพพิทาญานคือญาณที่ยังรู้ความเบื่อหน่ายในสังขารเนนะีฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทางเห็นความหมดจดเมื่อใดบุคคลยังเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งพวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข ความเบื่อหน่ายในทุกนี่เป็นทางแห่งความหมดจดอันนี้เป็นสัพเพสังขารานิจติยธาปัญญายะปัตสติเมื่อใดยอย่างเห็นโดยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายถึงอุทยพยายาญนยญานอย่างรู้ความเกิดและความดับเหตุเกิดและความดับของธรรมเหล่านั้นเป็นตน้นทีนี้ถ้าหากมาพิจารณาอย่างนี้นี่นะท่านก็จะสอนให้พิจารณาอย่างลงในอริยสัจอย่างลงยังไง ท่านก็ยังบอกว่าอาสาทะโทษนิสลานะเหล่านั้นจัดจําแนกเป็นอริยศาสตร์ก็คือว่าทุกขสัจหมายถึงสังขารที่เป็นไปในภูมิสามสมุทัยสัจจาก็คือตัณหาในโรทัสัจจาก็คือพระนิพพานส่วนปฏิปทาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่ควรบําเพ็ญเพื่อการบรรลุอริยมรรคก็คือวิธีเจริญสติปัฏฐานและอริยมรรคมีองค์8อันนั้นก็เรียกได้แก่การอบรมนี้เป็นมรรคสัจฉะนั้น การเห็นอริยสัตว์เนี่ยท่านจึงจัดว่าเป็นการเห็นที่ประเสริฐเป็นมงคลนะท่านจัดว่าอริยสัจจานะทัศนะคือการเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายนีเป็นไปในลักษณะอย่างนี้อภรการต่อมาก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของความว่าในมงคลข้อต่อไปนะด้วยการกระทําพันนิพพานให้แจ้งการกระทําพันนิพพานให้แจ้งเนี่ยนะนิพพานนั้นน่ยพ้นจากคติทั้งห้า พ้นจากนิริยคติเปติคติเดรลฉานคติมนุสยคติและเทวคติตลอดถึงพ้นจากตัญหาเครื่องร้อยรัดอันนี้หมายถึงการกระทําพระนิพพานให้แจ้งด้วยอรหัตธรรมถ้าหากบรรลุอรหัตธรรมเป็นพระเรียบบุคคลชั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะสามารถกระทําพระนิพพานให้แจ้งปัญหามันก็มีบอกว่าพระนิพพานเนี่ยนะ เออพันิพา น, นเนี่ยดีอย่างไรที่ถึงจะกระทําให้แจ้งเนี่ยเขาบอกว่าพันิพาณเนี่ยเป็นธรรมที่พ้นจากเครื่องร้อยลัดที่บอกว่าพ้นจากเครื่องร้อยลัทธเนี่ยเพราะไอ้เครื่องร้อยลัทธนั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของตัณหาดงนั้นตัวสภาพสภาวะของนิพพานเนี่ยเขาพ้นจากเครื่องร้อยลัทธก็คือพ้นจากตัณหานิพพานเนี่ยคือโลกุตตระธรรมนีอันมัคคิยานทั้ง4คือโสดาปฏิมาสกาธาคามีมัคกนาคามีมัคและอัตตามัค พึงก็ทําให้แย้งฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของมรรคญาและผลญาณท่านกล่าวว่าเป็นนิพพานเพราะความที่นิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ออกไปจากตันหาคือเครื่องร้อยลัดเท่านก็มาแยกสารบรบอกว่านี้บวกวานะนี้นี่แปลว่าพน้นวานะนะ่ยแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงไว้หมายถึงตันหาเมื่อรวมสองบทเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยโดยการเปลี่ยนเสียงให้สอดคล้องกับคําที่ใช้คือเพิ่มตัววอขึ้นอีกตัวหนึ่ง และวอสองตัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวพอพานจึงมีรูปศัพท์เป็นวันนิพานเออจริงๆอย่างนี้นอหนูสระอีเห็นไหมแล้วก็วแหวนสระอาแล้วก็นอหนูสัพท์เดิมมันมาจากเนี้ยนิศัพหนึ่งแล้วก็วานเนะี่ยหรือวานนะเนะี่ยศัพหนึ่งคำวันนี้แปลว่าพ้นไอ้วานนะแปลว่าเครื่องเกี่ยวยงรัดไว้ทีนี้โดยหลักภาษาเนี่ยท่านมีการเปลี่ยนเสียงให้สอดคล้องกับคําที่ใช้ คือตัววแหวนมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมท่านก็เพิ่มวอแหวนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเขาเลยซ้อนขึ้นมาทีนี้วอแหวนสองตัวนั้นน่ยก็เปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานเขาเปลี่ยนเอาเป็นพอพานสองตัวเลยจึงมีรูปสัตว์เขียนว่าเป็นนิพานจากเป็นนิวานนะเนี่ยหรือนิพวานเนี่ยนิวานเนี่ยก็กลายเป็นนิวานนะเนี่ยมามาแปลเปลี่ยน เปลี่ยนวแหวนเป็นพอพานซ้อนพอพานเข้ามาอีกตัวตามหลักของไวยากรณ์เขาเขาแปลว่นนานินพานนิพานเนี่ยแปลว่าธรรมที่พ้นจากเครื่องเกี่ยวโยงหมายถึงพ้นจากตัญหาท่านก็วิเคาราะห์สับไว้บอกว่าวินติสังสิพติติวานังธรรมชาติใดย่อมผูกเกี่ยวไว้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อวานะได้แก่ตันหาวานะโตนิขันตันตินิพานังเนี่ย ธรรมชาติได้ย่อมพ้นจากเครื่องเกี่ยวโยงคือตัณหาฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่ออานิพัานทีนี้ธรรมดาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกเนี่ยความเกิดความแก่ความตายตังแต่ละบุคคลที่ผ่านมานี่นะมันผ่านมาเนี่ยมีเกิดขึ้นมากมายจนคํานวณ น, นับไม่ได้และเราจะเกิดไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใครละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีวันจบสิ้น ตันหานั่นเองเขาเปรียบเสมือนกับช่างเย็บผ้าหรือเกี่ยวกับเย็บสัตว์ไว้ในพบเก่าให้ติดกับพบใหม่เรื่อยๆถ้าเราเป็นช่างเย็บผ้าเราก็มองเห็นภาพเลยใช่ไหยเวลาเย็บผ้าไอ้ผ้าสองชิ้นสามชิ้นที่มันเย็บติดกันเนี่ยทําไมเราตายแล้วมันไม่ขาดสพบนี้ใช่ไหมไอ้ตัวตันหาน่ะมันก็ร้อยไว้ร้อยพบนี้ไปพบมันมีหน้าที่ร้อยไว้มันก็เลยไม่ขาด แต่คนบางคนก็ชื่นใจเนี่ยใช้ได้เกิดเนี่ยสิ่งที่เขากลัวคือกลัวการไม่เกิดใช่ไหมแต่ถ้าคนเบื่อทุกเนี่ยก็บอกโอ้โอไม่ไหวแล้วเป็นภาระมากต้องคิดจนเห็นเป็นภาระจริงๆอ่ะเนี่ย น, นิพานนั้นเป็นธรรมชาติที่พ้นจากตัณหาฉะนั้นจึงชื่อว่านิพานทีนี้นิพานเนี่ยนะโดยสภาวะมันเขามีอย่างเดียวเท่านั้นแหละโดยสภาวะคือธรรมชาติที่พ้นจาก ธรรมชาติที่พ้นจากกิเลสและรูป น, นามขันธ์แต่ท่านก็แยกเป็นสองโดยโดยปริยายนะสาุปาทิเสสนิพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพานธาตุท่านนิพานว่าโดยลักษณะเขามีลักษณะเดียวคือสันติลักษณะหมายถึงสงบจากกิเลสและขันธ์คือพระนิพานนั้นว่าโดยลักษณะของตนแล้วมีอยู่อย่างเดียวไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่ที่มีสิ่งเดียวแต่มีเจ้าของหลายๆคนฉะนั้นจะใช้ของสิ่งพร้อมๆกันไม่ได้ จำเป็นต้องผัดกันใช้ทีละคนส่วนนิพพานเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อประลิพนิพพานแล้วก็เข้าถึงสันติสุขด้วยกันทั้งสิน้นแสดงให้เห็นว่านิพพานนั้นคือสภาพสันติสุขที่นับไม่ได้ที่นี้เมื่อเรากล่าวในลักษณะอย่างนี้การกระทําพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยเป็นมงคลเนี่ยก็เพราะว่าพ้นจากภพภูมิเป็นต้นเหล่านี้นะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็น เป็นมงคลหนึ่งที่ได้กล่าวนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าในคาถาที่9้าที่บอกมีอยู่สี่มงคลคือตบะหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นคือมงคลข้อที่เกต่อไปก็เป็นมงคลข้อสุดท้ายคือข้อที่10บมีอยู่สี่มงคลก็มีพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปฏิซึ่งแปลว่าจิต ของบุคคลใดไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลายที่ถูกต้องคือมากระทบแล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งข้อ2 อ, อโศกังความไม่โศกข้อสวรลชังความไม่มีทุลีข้อที่4เขมังความกเกษมจากโยคะอันนี้คือมงคลข้อสุดท้ายนี่เนื้ปการแรกโลกธรรมได้แก่ธรรมดาของโลกนะ ธรรมที่เป็นไปกับโลกนี่หรือธรรมดาของโลกนโลกธรรมมีอยู่แปดใช่ในชีวิตของแต่ละบุคคลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะไม่เจอไม่เคยเจอโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีครบเหมือนกันหมดไหมมีหมดเลยใช่ไหมลาบยอดสรรเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยอดนินทาแล้วก็ทุกข์ ฝ่ายอิทธาลมเนี่ยน่าชื่นใจก็คือลาบยศสารเสริญสุขดีใจเมืาก mm hmm. ถ้าฝ่ายที่หน้าตาบูดเบี้ยวก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกฝ่ายนี้ไม่น่าชอบใจโลกเรามีสองทางมีประเภทมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศแล้วก็เสื่อมยศสารเสริญแล้วก็นินทาสุขแล้วก็ทุกถ้ามีลาบ mm hmm. ใช่ไหมความเสื่อมลาบก็ต้องมีเพราะมันของคู่กัน ถ้าไม่ต้องการความเสื่อมราบก็อย่าไปมีลาบมียศความเสื่อมยศก็จะต้องมีเพราะมันกองคู่กันใช่ไหมถ้ามีคนเขาสารเสริเขาก็ต้องดินตาถ้าหากว่าสุขมีทุกก็ต้องมีฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าแสดงบอกว่าอธรรมเหล่านี้มันคู่กับโลกถ้ามันมีโลกอยู่มันก็เป็นมันอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามาเป็นผลิตผลส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ มันก็จะต้องเจอไอ้สาภาวะแบบเนี้ยเจอทั้งมีลาบเสื่อมยอดจะรเสริญ ส, สุขเสื่อมลาบเสื่อมยอดนินทาแล้วก็ทุกข์แต่ว่าทั้งๆ ท, ที่เราศึกษากันอย่างนี้นี่นะแต่โดยมากเราไม่ค่อยไ ค, ยครกลัวมันอดจะลืมตัวไม่ได้ใช่ไหมเพอมีลาบมียอดจะรเสริญและสุขเนี่ยลืมมันเลยแล้วก็ยังไปคิดว่าลาบยอดจรเสริญ ส, สุขเนี่ยมันเที่ยงมันจะอยู่กับเราได้ น, นานเนี่ย แล้วก็ปลอบใจว่าถึงแม้ไม่อยู่นานก็ต้องอยู่ยี่สิบสามสิบปีคิดแบบเนี้ยเช่นว่าคนคนนี้ใช่ไหมเคยกล่าวกับเราทีไรก็แหมพูดดีกับเราอยู่ตลอดพออยู่ต่อมาเขาพูดไม่ดีหน่อยโอ้โหเป็นปืนต่อด้เป็นไฟด้วยคือไม่เข้าใจคําว่าโลกธรรมถ้าเข้าใจคําว่าโลกธรรมแล้วเนี่ยใจเรามันจะไม่แปรปรวนใช่ไหมเขาบอกว่า ต้องหนักแน่นเหมือนฉัดหินฉัดเนี่ยนะถ้าเป็นฉัดผ้าฉัดไม้ฉัดอะไรธรรมดาเนี่ยไม่ทำ น, นถ้าฉัดหินนี่เคยเห็นฉัดหินไหม <c oughs> คือเขาเอาหินมาทำเป็นฉัดกั้นเนี่ยโอ้ยมั่นคงมากมต้องอย่างนั้นแต่ไม่ใช่บางคนหน้าดานเหมือนฉัดหินไม่ใช่แล้วก็เงน้นก็มเขาบอกเาเาสอนเรื่องความมั่นคงหนักแน่น ก็ไม่ใช่โอ้ยไม่รู้ดำรู้ร้อนก็ก็มีมีพระท่านมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็หมืนินทาพระก็ไม่ค่อยดีนกัหนึ่งก็ล เ, เล่าให้ฟังคือท่านก็โดนโดนโดนชาวบ้านเนี่ยไปดา่าไปชี้หน้าดา่าสารพัดแหละท่านก็นั่งยิ้มยิ้มอยู่นั่นแล้วะ <laughs> นั่งยิ้มยทีนี้ แล้วเราก็ที่แรกเขาก็สงสัยกันว่าท่านคงมีปัญญามากมั้งใช่ไหมที่ไหนได้ท่านเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องคือเขาจะพูดเรื่องอะไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ทั้ ง, งนั้นไม่รู้แดดดำไม่รู้ร้อนเขาบอกแหม่เหมาะสมกันจริงๆริงก็คืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่อดทนแต่เกิดจากอันยานุเปกขาก็คือไอ้ที่นิ่งนิ่งเนี่ยเพราะมันไม่รู้ มันจะไม่ใช่นิ่งเพราะอะไรนิ่งเพราะไม่รู้เรื่องอ่ะนี่นิ่งเพราะไม่รู้เรื่องเพราะว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจพวกคนสติไม่ค่อยดีใช่ไหมเขาใครว่าใครอะไรก็เดินยิ้ยมตามถนนทั่วไปก็นึกว่าแหม่พวกนี้อดทนดีไม่ใช่คนอะไรเรื่องหรือบางคนไปเข้าใจสับเปลอว่าเป็นคนเหม่ปลงได้เนะี่ยแท้ที่จริงไม่ใช่นะอาชีพเขาพวกนี้ไม่ได้ปรงอะไรได้ ฉะนั้นเขาถึงบอกว่าโรคกระททั้งแประการนั่นะคื อ, คอลาบยอดเรเส ร, ริญสุกเสือ่อมลาบเสือ่อมยอดนินทาและกรทุกเนี่ยติดตามโลกหรือสัตว์ทั้งหลายไปเป็นธรรมดาไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งปวงเพียงแต่ว่าเมื่อใครถูกโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยจิตใจจะหวั่นไหวจะเดือดร้อนหรือหลงไหลเพลิดเพลินหรือไม่ถ้าถูกโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวก็เป็นมงคล ถ้าวันไหวไม่เป็นมงคลอันนี้ดูแค่ตรงนี้นะถ้าเราต้องการอยากจะทราบบอกว่ามงคลเนี่ยข้อเนี้ยมีอยู่ในใจเราหัหยก็ก็สังเกตได้ตอนที่เราถูกต้องโลกธรรมถ้าหากว่าราบยศสารเสริญสุขถูกต้องเราแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเนี่ยเออจิตวันไหวไหมโหจิตมันฟูขึ้นเต็มที่เลยเนี่ยแสดงว่ามงคลไม่มีเพราะวันไหว แต่ถ้าหากว่าเสื่อมยศนินทาทุกหรือเสื่อมลาบมาถูกต้องมันแฟบลงมันเหี่ยวลงมันท้อเนี่ยอันนี้แสดงว่ามงคลก็ไม่มีถ้าจิตไม่มีมงคลเ็าเรียกว่าอะไรไม่มีมงคลก็แปลว่าเป็นอัปมงคลเนอะไม่ดีซะอีกใช่ไ้ยเป็นอัปมงคลบางคนก็ไปหาน้ำมนต์กันใช่ไมไปหาเครื่องรางของขลังไปหาอะไรมนก่อน ฟังหลงวงพ่อปัญญาเน้นทะท่านท่านพูดจะไม่ค่อยได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ท่านก็เขานิมนต์ท่านไปเปิดงานที่วัดประยูนพระอัายกเป็นบรรพันนี่เขาจะให้เปิดงานเนี่ยก็จะให้พูดแค่ประมาณสักสิบนาทีมันเปิดงานเนี่ยนะท่านก็พูดพอพูดเสร็จท่านพูดไม่ค่อยชัดแล้วพูดแล้วท่านไม่ยอมลงอะตัวเนี้ยก็ <c oughs> มีพระไปสกิจท่านไปสกิจท่านพอสกิจ พอสะกิดโก็ถ่ายทอดออกทางกระลาทัดได้เนี่ยพอสะเกิดโป๊บเนี่ยท่านว่าทันทีเลยเดิบอกว่านานๆจะได้พูดทันทีบอกอลไรสิโอ้แต่นี่โอ้ว่าคนสะกิดเสียเลยก็บอกเนี่ยมันฟังกันแบบนี้มันฟังไม่รู้เรื่องมันต้องพูดให้รู้เรื่องก็งั้นคนเดียวนี้ยมันโง่มันโง่แม้กระทั่งพูดนมรัดก็โหพูดกันไลายาวเลยเดิ คนที่เป็นรัฐมนตรตีเป็นนั่งหน้าเหลือสองมือแล้วมั้งหลงพ่อดาวท่านพูดท่านไปเฉยกันพวกสกิดร์ก็ไม่ลงเทวแล้วไม่มีใครกล้าแล้วโอ้โหอายุจะเกือบร้อยแล้วคนลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีผิดแล้วใครไปว่าไม่ได้ต้องยอ <c oughs> เหมือนกันนะเราท่านทั้งหลายไดายุยมากๆลูกหลานสกิจไม่กลับเหมือนกันนี่จะได้ยุ้ยมากๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ยกไว้ เขาก็จะปล่อยเขาปล่อยบนไปเทอหนึ่งเขาก็อาศัยว่าคอยเดินหลบๆกันบ้างเลยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นมีหิวคนหนึ่งนะไปที่โรงพยาบาลจุฬาก็ไปทําบุญแต่มีคนเขาเข็นรถเลยแกสอนคนเลยแกหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีพอเห็นแกพูดอยู่คนเดียวเลยไปจับแกบอกว่าคนเดียวนี้พูดบอกยากนะนี่เตรียมเตรียมรับไว้ในนะ่ะพอพอ แค่เท่าไปเนี่ยถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณาโลกธรรมไว้แต่เบื้องเนื่นๆนัก เ, เข้านเข้าเราก็เข้าใจผิดพอไปเข้าใจผิดแล้วเราก็เป็นสำคัญว่าเออเรายัางคอนโทรลอะไรได้ในส่วนจริงไม่ได้ฉีนั้นคำว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยนะในที่นี้หมายถึงทั้งไม่ยินดีเมื่อได้มาแล้วก็ไม่เดือดร้อนเมื่อเสื่อมไปเนี่ย ทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายเน่ยท่านไม่ยินดีเมื่อได้ราบได้ยศได้รับแต่ละเสริญก็ได้รับความสุขและท่านก็ไม่หวันไหวไม่เดือดร้อนเมื่อเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาและได้รับความทุกข์ให้สังเกตได้นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านประสบความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะทุกข์จากการที่โดนพระเทวทัตเนี่ยนะกิ่งก็อนหินจากเขาคิชฌกูฏเนี่ยลงมาจนว่าห่อพระโลหิตเนี่ยไม่มีนะ โอ้ยช่วยแต่ถาคตด้วยไม่มีถ้าเป็เราก็โอ้ร้องครวญอยู่างนั้นนะนี่ไม่มีเข้าสมาบัตดคมทุกขเวทนาเงี้ยนะเพราะว่าท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ในอํานาจของใครคนที่จะบรรลุเป็นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยไตรลักษณ์นี่นะอันนี้จะลักษณะทุคลักษณะและอนัตตลักษณะเนี่ย ปรากฏในใจของท่านเนี่ยชัดเจนมากเ้าเรียกว่าท่านเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเห็นอย่างต่อเนื่องเน่เนะผิดกับเราท่านทั้งหลายใช่ไหม น, นานๆเราจะเห็นความไม่เที่ยงสักครั้งทั้งๆ ท, ท, ที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่แหละแต่นานๆจะได้ใส่ใจสักครั้งหนึ่งใช่ไหมนานๆได้ยินข่าวคนนั้นตายโอ้ไม่เที่ยงว่างั้นนานๆกว่านี้จังจะปรากฏแต่ละทีในที่สี่สิบห้าสิบปีแต่ว่า ใจของพระอริยะนี่มันอันนี้จะลักษณะเป็นต้นเหล่านี้ปรากฏในใจของท่านตลอดเพราะท่านเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อท่านเข้าถึงความจริงท่านจึงไม่หวั่นไหวถึงขนานั้นนะพระอริยะที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมส่วนพระอริยะเจ้าชั้นต่ําลงมาเนี่ยนะบางท่านก็หวั่นไหวในโลกธรรมเหมือนกันนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยเวลาหลานตายก็ร้องไห้ หรือผ้าดีญาบุคคลชั้นต่ําเนี่ยนะเพราะพุทธเจ้านิพพานอย่างท่านพระนรนเนี่ยก็ร้องไห้หรือผ้าดีญาบุคคลชั้นต่ำๆทั้งหลายท่านก็โศกลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านเศร้าโศกได้เพราะว่าท่านยังละความหวั่นไหวได้ไม่หมดอันนั้นคือมงคลข้อส่วนมงคลข้อต่อไปก็คืออโศกังความไม่โศกจิตของบุคคลที่ไม่มีความโศกนั้นได้แก่จิตของพระอรหันตา น, นั้น ที่จริงในตัวโทมมันเวทธนาที่ประกอบกับโทสะมูลจิตเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้ความโศกความโศกความล่ํายลาพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยอันนี้จะเ่าเป็นความจัดเขาอยู่ในความโศกที่นี้เป็นรากเหง้าของความโศกอนาคามิมัรกเนี่ยสามารถประหารความโศกได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าหละพระนาคาเนี่ยท่านประหารกามราคะแล้วก็ประหารปฏิฆะ แปลว่าโทสะไม่มีแล้วคนไม่มีโทสะก็ไม่โศกแล้วเราท่านทั้งหลายที่ยังมีความโศกกันอยู่เพราะมีอะไรมีโทสะใช่ไหมตัวโทสะจิตนี่แหละมีเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งเมื่อไรก็จะโศกเหมือ น, นั้นอย่างใ น, นปัจจุบันเนี่ยในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่โศกใช่ไหมแต่อย่าอย่าคิดว่าความโศกเราล้าได้นะมันยังไม่ได้เหตุปัจจัยนะเนี่ยพอได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไรเดี๋ยวก็โศกเหมือนร้องไห้เนี่ย อย่าไปคิดว่ามันจะไม่ร้องเนะเดี๋ยวได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไรเดี๋ยวก็ร้องใช่ไหมความลำพันความบ่นเพอ้อทั้งหลายเหล่านี้อาจปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แต่เดี๋ยวได้เหตุได้ปจัจจัยเดี๋ยวก็ร้องในอดีตมาโว้สกตไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่าน้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยที่จรงท่านสอนอย่างนี้เพื่อให้เบื่อหน่ายนะว่าโอ้โหน้ำตาที่เราบีบน้ําตาไหลออกมาไหลออกมาเนี่ยน้ําในมหาสมุทรขนาดนั้นเลย เรานี่เกิดมาเพื่อจะมานั่งร้องไห้บุตรตายบ้างพ่อตายบ้งาบงแม่ตายบ้างใชไหมโศกตลอดเลยพี่ตายน้องตายญาติมิตรตายเพื่อนพ้องตายอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองเจ็บป่วยเป็นต้นเหล่านี้ยนี่เขาเรียกว่าความโศกมงคนข้อนี้อัตถกถาท่านแก้วว่าได้แก่จิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะท่านกล่าวไว้ไม่ยาวที่จริงในคําสอนต่างๆเหล่านี้ส่งข้อลงในอริยศาสตร์ได้หมด อาการต่อมาคือเวราชังความปราศจากกิเลสทุลีเข็มังความกเกษมจากโยคะท่านก็หมายถึงจิตพระอรหันต์กันเป็นจิตที่ปราศจากทุลีโดยสิ้นเชิงสัตว์บางจําพวกมีทุลีในดวงตาน้อยสัตว์บางจําพวกมีทุลีในดวงตามากสัตว์บางจําพวกมีทุลีในดวงตาน้อยก็หมายความว่ามีกิเลสนั่นเองเมื่อมีกิเลสคือทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้ แต่ถ้ามีกิเลสคือทุลีในดวงตามากโอกาสบรรลุก็ยากเนี่ยนะส่วนว่าเกษมจากโยคะก็มีกามโยคะทิฏฐิโยคะเพว่าโยคะแล้วก็อวิชาโยคะกามโยคะโอคะคือกามหมายถึงตัวโลภะนีที่ในโลภะมูลจิตทิฏฐิโยคะหมายถึงทิฏฐิเจตสิกก็คือทิฏฐิหกสเพราะว่าโยคะก็คือตัวโลภะที่ยินดีพอใจในภพอวิชาโยกคะ โยคะคืออวิชานีก่ก็ประกอบสัตว์ไว้ในความหลงความไม่รู้ฉะนั้นจิตที่ไม่เศร้าโศกจิตที่ปราศจากทุลีจิตที่เกษมทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งความเป็นเอาในยะบุคคลนำมาซึ่งการพ้นจากโลกมีขันเป็นต้นก็แปลว่าการที่จะพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่จะพ้นจาก กามาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิเป็นต้นเหล่านั้นก็ต้องเป็นผู้มีจิตไม่โศกจิตปราศจากทุรีและจิตเกษมนั่นเองคือไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกคือการปรินิพพานนี่ท่านก็ยกตัวอย่างนะดังที่ได้กล่าวไว้ครั้งที่แล้วที่กล่าวไว้ครั้งหนึ่งที่บอกว่ามีพราหผู้หนึ่งทำนาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำอัจิลวดีทีนี้พอข้าวเริ่มสุกจวนจะแก่ ก็ให้ท่าสกรรมกรช่วยกันไปเกี่ยวข้าวในวันรุ่งขึ้นแต่ก็เกิดพายุนยพัดฝนตกน้ำไหลบ่าพัดพาเอาข้าวไปหมดทีนี้ว่าต่อมาก็คือเศร้าโศกเสียใจพระบระมา ศ, าศาสดาเห็นอุปนิสัยก็เสด็จไปโปรดให้คลายจากความเศร้าโศกทีนี้